พระพุทธเจ้าทรงเน้นไปที่ตัวความรู้เป็นประการสาคัญแม้หลักคำสอนที่ทรงสัตรุและทรงแสดงไว้ในปฐมเทศนาพระทรงชีเห็นว่าธรรมะเหล่านั้นเมื่อบุคคลศึกษาและปฏิบัติแล้วจะกอ่อให้เกิดผลเป็นความรู้อย่างจริง เป็นความรู้อย่างดีเป็นการตรัสรูซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของความรู้ที่เดินไปในจุดเดียวกันนั่นเองแต่มีความลึกซึ้งมีขอบข่ายที่กว้างไกลจนรอบรู้ถึงสปปรรพสิ่งตามความเป็นจริงก็คงอยู่ในขอบข่ายของความรู้นั่นเอง หลักอง์อริยมรรคแประการพระพุทธเจ้าก็ทรงเริ่มที่คำบรรลุคือหลักของสมาธิิฐมันเป็นอาการของปัญญาแม้แต่การปฏิญาณตนเข้ามาเป็นชาวพุทธก็เริ่มที่คำบรรลุก่อนที่จะมาเคารพนับถือพระพุทธเจ้าประทานพระสงค์เป็นสนะก็เกิดขึ้นจากความรู้คุณของพระรัตนตรยัย จึงก่อให้เกิดสัทธาเริ่มใสเข้ามาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามิกะพุทธมามิกาและเมื่อเป็นแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้ที่เราเรียกว่าพุทธะเมื่อรู้แล้วผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเดียนั้นก็จะมีความตื่นขึ้นจากอำนาจของกิเลสไม่หลงงมงายอะไร ไปตามอานาจของกิเลสอย่างน้อยก็ไม่มากเกินไปจิตใจของบุคคลเหล่า น, นั้นก็เปิดปานผลพ้นจากพันธนาการของอารมณ์โดยเฉพาะยิงยิ่งก็คือพวกที่จิตไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพระพุทธเจ้าเองประนามและพระคุณเป็นนันมาก ตัวเน้นไปที่รู้เมื่อท่านเมตตคูได้มากราบทูลถามปัญหาถึงสภาพของชีวิตที่เต็มไปได้วยความทุกข์และเหตุให้เกิดความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปประเหตุหให้เกิดแต่งความทุกข์นั้นได้แก่อุปาิทั้งหลายเป็นการแสดงในแนวลึกลงไป กระจายคำว่าอุปชิออกไปทั้งฝ่ายของกิเลสอิัตหามานาติจิเป็นต้นทั้งฝ่ายของกรรมมีทุจริตเป็นต้นทั้งฝ่ายของสิ่งที่เป็นกลางๆคือเรียกว่าอัพญากฤิตมีขันมีอายตนะภายในภายนอกมีท่าสี่เป็นต้น ซึ่งสรุปไปเห็นแล้วก็คือว่าสังขารร่างกายนั้นเองเป็นกองแห่งความทุกข์แต่ในสังขารร่างกายนั้นบางอย่างนอกจากตัวเองจะเป็นทุกข์แล้วยังเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ด้วยที่ท่านสรุปไว้เป็นขันห้าคือเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ ก้ น, นี้ผู้ศึกษาปฏิบัตธิธรรมก็จะเห็นว่ารู ป, ปรขันธ์นั้นตกตูนในความทุกข์เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสสารสภาพเติร์เดิมของตนไว้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเช่นเดียวกับเวทนาเช่นเดียวกับสัญญาเช่นเดียวกับวิญญาณแต่ในนี้ตัวสังขาร น, นั้นได้เกิดมีทั้งสามอย่าง คือเป็นตัวความทุกข์เป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์และเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขด้วยและเป็นเหตุให้เกิดกลางๆด้วยแต่ว่าตัวแกเองก็เป็นทุกข์ด้วยดังนั้นจึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลที่จะให้เกิดเป็นเหตุอย่างอื่นขึ้นมาธรรมะทั้งหลายจึงมาสรุปเอาที่ขันทั้งหา ก็เป็นที่ประชุมเป็นที่รวมของความทุกข์การพูดบางครั้งก็พูดโดยโวหารว่าก้อนทุกข์หรือกองทุกข์คือพูดรวมไปเลยโดยเน้นไปที่สังขารในฐานะที่เป็นกองทุกข์แทนที่จะพูดถึงตัวเหตุก็พูดสังขารในฐานะที่เป็นผลบางครั้งก็พูดถึงตัวเหตุ การที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันต่างห้าว่าเป็นทุกข์นั้นก็พูดถึงสังขารที่ทําหน้าที่ไปยึดถ้จะถามวายึดอะไรก็ตอบได้ว่ายึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์และในอารมณ์หรือยึดในตัวขันห้านั่นเองแต่กายึดในรูปเสียง ร, รูปเป็ น, นาสัญญาสังขารวิญนาง ในฐานะที่เป็นเราฐานะที่เป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความยึดติดในลักษณะนี้พึงสังเกตว่าจะมีความต่อเนื่องกันเช่นบุคคลเริ่มโดยการยึดในวัตถุในบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นของเราเมื่อยึดถือมากข้าวก็จะมองเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่ า, เ, าเราเป็น เจ้าของสิ่งนั้นกาเป็นเจ้าของสิ่งนี้จากความยึดเกิดขึ้นในสองสายนั่นเองจะมีการกำหนดหมายตัวเขาและตัวเราว่าเป็นอนตาตาตัวตนที่เที่ยงแท้ไม่แปรผันดันองอนนี้พึงสังเกตว่าแม้พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงแนวของอภินหาทปรเเวกขณะเอาไว้ ให้บุคคลพิจารณาหนึ่งเนืองพิจารณาไปปอยพิจารณาหยุดสม่ำเสมอเพื่อให้เรียนรู้ถึงความจริงแห่งธรรมชาติและแห่งชีวิตทีต่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีภาวะเป็นอย่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะร่วงพ้นภาวะเหล่านี้ไปได้แต่ในชีวิตจริงเป็นอย่างไรในชีวิตจริงนั้นบุคคลใช้ชีวิตบุคคลส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไป ในแนวที่มาลาภารีเทพบุตรได้กล่าวไว้ด้วยความสลดใจว่ามนุษย์ใช้อายุซึ่งมีอยู่น้อยนิดของตนไปด้วยอำนาจของความกำหนัดความเพลิดเพลิพพนยินดีระเริงหงน้าหนักใจถ้าเกิดที่มนุษย์หมัวหมอบประบาทหรือเช่นนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เป็นไปเช่นนี้ ก็เพราะคนนั้นไม่รู้ถึงความจริงแห่งสังขารทั้งหลายนั่นเองแม้จะเป็นความรู้แต่ก็รู้ระดับของปริยัติบุคคลไม่ได้น้อมนำไปปฏิบัติจนสัมผัสผลประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนถึงความจริงแห่งชีวิตความยึดความติดก็ยังมีอยู่บางครั้งก็รุนแรงจนเกินไปยามใดประสบความสูญเสีย ความพลาดอย่างไดอย่างหนึ่งแทบจะทรงตัวเองไว้ไม่ได้แต่ถ้าบุคคลได้คิดถึงความจริงว่าโดยแง่ของความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเสียอะไรถ้าจะหายไปบ้างเสียไปบ้างเปลีป่ยนแปลงไปบ้างก็เป็นขาดทุนกำไรแต่นั้นเองเพราะชีวิตของคนเรานั้นเริ่มต้นมาจากศูนย์ แล้วก็ค่อยๆมีขึ้นไอ้สิ่งทั้งหลายที่ไปยึดถือว่าของเรานั้นเมื่อก่อนมันก็มีเฉพาะร่างกายเรากับพ่อแม่เราแล้วของเราเริ่มกระจายออกไปตามกติกาตามเงื่อนไขาทางสังคมบ้างจากการเสริมสร้างสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาบ้างเมื่อสิ่งเหล่านั้นแกเปลี่ยนแปลงไป แกมาจากไม่มีเมื่อแกกลับไปสู่ความไม่มีมันก็เป็นธรรมดาเพราะที่จริงแกก็ไม่มีมาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อมีเหตุปัจจัยให้มีขึ้นมาก็ถือว่ามีแต่ในที่สุดแกก็กลับไปสู่ความไม่มีนั่นคือธรรมดาของสังขารทั้งหลายคราวนีน้ลองสังเกตว่าแม้แมในเรื่องอื่นๆก็ทาลองเดียวกัน ฉันจะรับประทานอาหารอาหารก็เริ่มจากความไม่มีเหมือนกันด้วจากการเกาะกลุ่มของสิ่งทั้งหลายการปรุงแต่งของจิตของเจ้าของผู้ปรุงอาหารเหล่านั้นก็กลายเป็นมีขึ้นม า, ามันมีเสร็จแล้วโอกาสต่อไปก็กลับไปสู่ความไม่มีหรือไม่เป็นอาหารและวงจรต่อไปก็อาจจะกลับมาเป็นอีกดังนั้นช่วงมีกับช่วงไม่มีนั้นเป็นช่วงที่บุคคลจะต้องเรียนรู้ถึงความจริง พยายมที่แก่ไม่มีก็อย่าถึงก็ดิ้นรนมากเกินไปประมันจะเป็นอภิชาหรือเพ่งเล็งโลภอยากได้จิตใจของตนก็จะจัดสรรอยากในอารมณ์ทั้งหลายมากนะหาความสงบไม่ค่ยได้พยายามแกเกิดไม่มีก็ไปเดือดร้อนกันอีกก็จุ่งเพราะไม่เป็นภพ ม, มนต์คือความเดือดร้อนใจความเล่าร้อนที่แผดเผาในภายในความผาคนในภายในและถ้าบุคคลรู้ความจริง ถึงเรื่องเหล่านี้ในระดับใดก็ตามก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เช่นยามแก่ไม่มีเราต้องการให้มีทำอย่างไงให้มีขึ้นก็ประกอบเหตุเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาในทางที่ชอบทำแต่ว่าเวลาแกมีขึ้นแล้วเตรียมใจยอมรับเอาไว้พ่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นี้โอกาสต่อไปก็จะเข้าสู่ความไม่มีความพลัดพราดความสูญเสีย เวลาแก่ไปก้องแก่ก็ทําทใจได้ว่าเขามายัางไงเขก็ไปอย่างนั้นเราะเขามาจากความไม่มีมาก่อนแล้วกลายเป็นความมีก็อยู่ด้วยความมีแล้วก็กลับไปสู่ความไม่มีกายเราเองก็เป็นอย่างนั้นสัตว์บุคคลสิ่งของทั้งหลายเองก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ความสูญเสียความท่า ท, ทเป็นต้นที่เกิดขึ้นก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อจิตใจมากเกินไป แม้จะสูญเสียไปมากอย่างไรแต่กำไรที่เราได้เพิ่มขึ้นจากมือเล็กๆ ก, กลายเป็นมือโตที่จะทำงานได้จากเท้าเล็กนิดเดียวที่ทรงตัวไม่ได้ก็กลายเป็นเท้าใหญ่แล้วจากสติปัญญาที่น้อยนิดก็กลายเป็นสติปัญญามากวิชาความรู้เป็นต้นจึงเป็นกำไรก็ยังไม่ได้หายอะไรไปบางคนก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ที่จริงเป็นการเริ่มต้นจากจุดที่มีโดยทำไปไม่ใช่จุดที่เป็นศูนย์ เริ่มต้นโดยต้นทุนใหม่สามารถตั้งหลักสร้างความเจริญก้าวหน้าในฐานะนั้นได้ดาลนั้นท่านเมตตคู จ, จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าและเรียกพระพุทธเจ้าว่ามุนีขอพระองค์ผู้เป็นมุนีคำว่ามุนีแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รู้ผู้สงบพระพุทธเจ้าเราบางครั้งเราเรียกว่าพระเจ้ามุนี คือพระพุทธศาสนาไ ม, ไม่ได้ปฏิเสธผู้รู้ยอมรับผู้รู้ทุกลำดับทุกขั้นตอนรู้มากรู้น้อยก็ยอมรับในฐานะนั้นๆเพราะพระพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยปัญญาและความบริสุทธิ์คนที่มีปัญญาจะมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะจิตใจของพระองค์บริสุทธิ์จึงไม่ได้มองด้วยความเป็นเราเป็นเขาแต่มองถึงความเป็นจริงอย่างไรก็จะชี้แจงแสดงไปอย่างนั้น คราวนี้เราสังเกตว่าในคำสอนที่เกี่ยวกับการละบาปามันเป็นบพ็ญบุญทาจิตให้ป่องแผ้วนั้นสแสดงว่าเป็นคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายแต่ว่าท่านรู้ไม่เหมือนกันจิตของความรู้แตกต่างกันการจะสอนในละบาปบาเพ็ญบุญทาจิตให้ฟ่องแพ้วท่านก็สอนด้แตกต่างกันแต่ว่ายังไงยังไงบาปมันก็ลดลงไป บุญก็เพิ่มขึ้นจิตก็สะอาดขึ้นตัวท่านเหล่านั้นก็รู้ในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งสามารถช่วยให้เกิดผลได้ในขั้นหนึ่งคล้ายๆกับการสร้างบ้านสร้างเรือนการชนประธานด้วยการทํางานอะไรก็ตามเปบนสมัยโบราณท่านก็รู้ระดับหนึ่งของท่านแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยกนันได้จากการชประทานการทดน้ําได้อํานวยประโยชน์ให้ในชั้นหนึ่ง มาถึงปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆจะเดินขึ้นท่านก็ทานได้หลากหลายสูงขึ้นที่จริงโดยรูปแบบมันก็เปลี่ยนแปลงแต่โดยเนื้อหาก็คือต้องการจะเก็บน้ำเป็นต้นออกไปซึ่งก็หมายความว่าเป็นการแสดงความรู้ที่แตกต่างกันออกไปแต่นั่นเองแต่ว่าแต่ละท่านก็คงเป็นผู้รู้ดังนั้นเมื่อพูดถึงมุนี ท่านก็แสดงเป็นมุนีไว้สองประเภทเรียกว่าสองประเภ ท, ทใหญ่ก็เรียกว่าอาคารยิยามุนีมุนีที่ครองเรือนกับอานาคารยิยามุนีมุนีที่ไม่ครองเรือนคือละคารวาตวิสัยออกไปเป็นนักบวชแล้วในความเป็นมุนีทั้งสองประการนั้น ก็ยังเป็นเสขะมุนีมุนีที่จะต้องศึกษาปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปเป็นอเสขะมุนีมุนีที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วแล้วก็มีมุนิมุนีนคือจอมมุนีในแก่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะนัพอกระจายออกไปจะพบว่าผู้รู้นั้นมีลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลำดับตัวการสำคัญจริง จ, งจึงต้องเกิดจากการรู้ ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเบื้องต้นแล้วจากโครงสร้างเหล่านี้เจอพวกปะปรับตัวเองเดินขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นขอบข่ายของความรู้เบื้องต้นว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองรู้มาตั้งแต่เบื้องต้นอันนี้อาหารนี่พ่อนี่แม่นี่ห้องนอนนี่เสื้อผ้าแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้จากความรู้เหล่านี้พัฒนาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปยังไงก็ตามก็ยังเป็นความรู้อย่างนี้พไยจนถึงจุดหนึ่งเป็นความรู้อริยสัจที่จะทําให้บุคคลบรรลุมรรคผลก็คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเบื้องต้นรู้ว่านิทุกข์มีเหตุเกิดแห่งทุกขมีความดับทุกขมีข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกถึงผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะลากกลับมาถึงจุดเบื้องต้นไนึรู้าอาหาร รัวนี้พอ่อรัว่นี้แม่นี่เรานี่น้ำเป็นต้นคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่วันในตอนแรกๆจะพบว่าเด็กทำอะไรกับน้ำไม่ได้คือดื่มน้ำก็ไม่ได้จะอาบน้าเองก็ไม่ได้เพราะแม่ก็ต้องทำให้แต่ก็สอในให้ศึกษาสาเนียงน้ำนี่อาบนะน้านี้ต้องดื่มนะผ้านี่ใช้นุ่งนะที่นี่ใช้นอนนะ แล้วความรู้เหล่านี้ก็บีบตัวเองขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปถึงจุดสุดยอดอีกถึงอรหัตตผลถึงการรู้อริยสัจถึงถือว่าสูงสุดถ้าฟังก็จะเห็นว่าก็คงอยู่ในจุดเดิมแต่มีความเจริญเติบโตแก่กล้าขึ้นแต่นั้นเองคือรู้ว่าทุกนั้นต้องกาหนดรู้นะสมุทัยต้องละนะมิโรดต้องทำให้แจ้งนะมัต้องเจริญนะ ความรู้อีกขั้นหนึ่งจนเราเจะพบป่าเราก็เริ่มต้นมาจากเด็กๆอีกองรู้ว่าข้าวนี่อันนี้ข้าวข้าวนี้กินได้นะแต่รู้ว่ากินแล้วนะผ้านี้ผ้านุ่งนุ่งได้นะแล้วก็นุ่งแล้วนะนี่ผ้าขมอันนี้ผ้าจะมาขมขมได้แล้วก็ขมแล้วนะอย่างนี้เราก็รู้ไปเรื่อยเรื่เหมือนกันทั้งหมดเลย หลจากจุดนี้เดินไปอีกตลอดเส้นทางยาวนานของพัฒนาการแห่งความรู้พอไปถึงอริยสัจมันก็เหมือนเดิมอีกรู้ว่าทุกที่ต้องกำหนดรู้นั้นเราได้กำหนดรู้แล้วนะสมุทัยที่ต้องละนั้นเราได้ละแล้วนิโรธที่ต้องทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญเราก็ได้เจริญแนละ้วจบจบเป็นที่สุดแห่งทุกที่พระพุทธเจ้าทรงชช้คำว่า เอเซวันโตทุ ก, กัสสนี่คือที่สุดแห่งถุกแต่ว่าจากจุดเริ่มต้นที่เราเรียนตอนแบบเบอกทั้งอายุกายและอายุจิตเดินมาถึงจุดหมายปลายทางนั้นโครงสร้างของความรู้เป็นแบบเดียวกันคือหนึ่งจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ได้ 2. จะต้องรู้ว่าทำอย่างไรกับสิ่งนั้ น, น, น และสามต้องรู้ว่าได้ทำแล้วได้ไปตามสมควรแก่ฐานะแก่กรณีนั้นนั้นคารวะผู้ครองเรือนจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายก็ตามจะอยู่ในฐานะที่จะเป็นมุนีคือผู้รู้เช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลายที่บวชออกไปจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเดือนข้อนี้ได้ทรงแสดงไว้ใน จกักจกตุกันิบาตอังคุตตระนิกายจำแนกคนทั้งหลายในโลกทั้งโลกออกไปเป็นสี่ประเภทประเภทแรกนั้นทั้งกายทั้งใจ ม, UA, ม, UA, ม, UA, มัวมัวมัวมอมหมกมุ่นอยู่ในโลกียร์ทั้งหลายคือหมายความว่า ก, กายเองก็ไม่ออกไปจากอำนาจของกิเลสและอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความชังใจเองก็คิด มัวเมาหมกมุ่นเพลิดเพลินโดยอํานาจของความรักความชังอยู่นั่นเองเวลาแห่งชีวิตต้องทุ่มเทต้องสูญเสียไปเพราะความรักกับความชังแต่พอเก็บสะสมมากๆก็อเอื้อมไปได้ไกลไไปห่วงใ ย, ยอาทรตัวคนตึองอยู่ไกลแล้วกันแตในชั้นที่สองนั้นการนั้นได้หลีกเล่นออกไป จากความความจบข้องครุกครีด้วยอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความรักความชังได้โปรดสังเกตว่าอารมณ์นั้นจะต้องรักต้องชังอารมณ์สายรักเป็นสายโลภอารมณ์สายชังเป็นสายโทสะผู้ปฏิบัติอาจจะสงสัยว่าโมหะอยู่ตรงไห น, นโมหะนั่นก็พร้อมที่จะเกิดจากสิ่งเหล่านั้นเพราะแกไปเจออยู่อยู่แล้ว ให้สังเกตว่าในสิ่งที่เรารักนั้นมีความหลงอยู่ในสิ่งที่เราชังนั้นก็มีความหลงอยู่ในและในสิ่งที่เราหลงนั้นมีรักมีชังอยู่ในปะปนกันต่นนั้นอารมณ์เหล่านี้จึงเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นครองใจบุคคลบุคคลหลีกตัวเองเออกไปได้คือออกกายออกไปแต่ว่าใจก็ยังพัวพันบกมุ่นครุ่นคิดปีตกกังวลเดือดร้อนหวงใจ อยู่กับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความชังได้แก่คนที่อาจจะออกบดเป็นพุกธสุสามเณรอาจจะเข้าวัดฟังธรรมจาศีลแต่ว่าตัวอยู่แข่งหนึ่งใจไปอยู่อีกแข่งตัวเป็นพระอยู่ในวัดแต่ใจเป็นคารวะอยู่ตามบ้านสอกสักปนนไปนนท์ไปนี่ตัวเป็นอุบาสกบาติการมาฟังธรรมจาศีล แล้วก็ใจนั้นไปอยู่ที่บ้านไปที่การงานไปที่ลูกเต่าที่ทรัพย์สมบัติเป็นต้นนี่แสดงว่ากายออกแต่ใจก็ไม่ได้ออกพวกคาราวาตสมุนีหรืออาคารุยะมุนีมุนีผู้ครองเรือนจึงเป็นประเภทที่3คือใจนั้นได้ออกจากความเกี่ยวเกาะด้วยอำนาจความรักและความชังในอารมณ์ทั้งหลาย อยู่ตั้งกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นเหตุให้เกิดความรักความชังนั่นเองแต่ในขณะที่คนอื่นกำลังรักกําลังชังอยู่นั้นใจบุคคล น, นั้นกลับไม่มีทั้งรักทั้งชังในอารมณ์ทั้งหลายทาั้งๆที่กายท่านอยู่ในที่นั้นข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลมองดูดอกบัวเพราะดอกบัวเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์หมดจดและเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ทงเชีดอกบัวว่ามันเกิดขึ้นจากสิ่งปฏิกูลสกปรกจากเยื่อโครนตมต่างๆใน ต, ตอนตอน้ตนๆแล้วก็ไม่น่าจะจับต้องอะไรแต่ดอกบัวนั้นพยายามที่จะ ช, ช่วยตัวเองขึ้นมามโดยลําดับผ่านการเวลามาโดยลําดับโอกาสหนึ่งสลัดตัวเองพ้นจากโครนตมจากสิ่งสกปรกสลัดตัวเองพ้นมาจากน้ํา แล้วลอยอยู่เหนือโครนตรมเหนือ น, น้ำทั้งทั้ ง, ท, งที่ว่าส่วนรากก็ยังอยู่ข้างหลังแต่ว่าส่วนดอกนั้นอยู่ข้างบนพวกคาวาสมุนีหรืออาคารยมุนีมุกนี้ที่ครองเรือนก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กใหญ่ก็ตามและมีลักษณะเช่นเดียวกันใจไม่ไปเกี่ยวเกาะในอารมณ์ทั้งหลาย รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดไม่ถือในอารมณ์ทั้งหลายมากเกินไปก็กลายเป็นมุนีภายในบ้านบางแข่งไม่เรียกเป็นชุดท่านเรียกคารวัสมุนีพอเรียกเป็นชุดท่านเรียกว่าอาคายะมุนีเพอเป็นชุดนี้ต้องแบ่งมากประการที่สามนั้นคือคนที่กายก็ออกไปจากสิ่งเกี่ยวเกาะทั้งหลายใจก็ออกไปได้หมายถึงพระญาบุคคลที่เป็นนับกบวช ประการสำคัญที่น่าศึกษาก็คือประเภทที่สามแม้แต่ละขณะของอารมณ์แต่ละขณะของความคิดแม้ว่าร่างกายของตนเองจะต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นแต่ว่ากายนั้นเป็นท่อนไม้ที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรถ้าใจไม่ไปยึดถือเป็นของเราให้วุ่นวายมากเกินไป แล้ก็พร้อมจะอยู่ทำกลางสิ่งแวดล้อมทั้งหลายโดยใจไม่เกี่ยวเกาะในกับเรื่องเหล่านั้นแต่จะถามไม่ถาว่าโดยพื้นอัยาริยและคนทำอย่างนี้ได้ไหมได้ทารุมีข้อแม้ว่าถ้ารู้แล้วก็ทำได้เขาจ้ลองสังเกตตรวจสอบดูที่ใจตัวเองอิทธิพลจากการโฆษณาอะไรต่างๆนั้น คนที่ไม่รู้ท่านั้นเด็นที่ไปหลงซื้อหลงวิ่งเต้นสแสงหาพอเขาลดราคาก็รีบไปขนของมากลัวเขาจะหยุดลดราคาเนี่ยนี่แสดงถึงความไม่รู้แต่คนที่รู้แล้วก็จะเฉยเยไม่ได้ถูกอิทธิพลของการโฆษณาในลักษณะครอบงำใจได้โดยยามที่เห็นเด็ ก, กะทะเลาะ ก, กันห้ามปรามได้ก็ห้ามปรามไปแต่ใจไม่ได้ไปทะเลาะ ก, กับเด็กด้วย ความเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นคือถือว่าเด็กก็คือเด็กเราเมตตากรุณาแก่ก็ห้ามปรามแก่แต่ก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับเด็กด้วยไม่ไปถือห่างเด็กไม่ไปถือฝ่ายของเด็กคนนี้ถ้าเรามองภาพเป็นกระบวนก็ต้องนึกถึงนิทานเรื่องน้ําำพุนหยดเดียวที่ว่าห น, นึ่งจะเห็นได้ว่าที่จริงใจอยู่เหนือแล้วแต่กระโดดลงไปครุกเองคล้ายๆกับคนยืนอยู่บนตะลิ่งแล้ว ร่างกายไม่แปดเปื้อนแล้วก็กระโดดลงไปในโครูนเองแล้วษณะาทางอารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันมีอารมณ์เป็นอันมากที่ไม่มีความจําเป็นอะไรที่เราจะกระโดดไปเดือดร้อนรุ่นแรงแต่เพราะความไม่รู้เพราะความหลงอารมณ์เหล่านั้นทั้งทั้งที่อยู่ไกลก็วิ่งไปหาแล้วสถะอย่างที่โบราณนั้นพูดมแม่แมลงเมา้าบินเข้ากองไฟคือกองไฟก็คือกองไฟมแมลงเม้าก็คือมแมลงเมา้า ที่จริงถ้าต่างคนต่างอยู่ไปอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นแก่มแมลงเม้าแต่มแมลงเม้าไปเห็นแสงไฟกูสาบินไปให้ตายจะได้จิตใจของบุคคลที่เอื้อมไปรับอารมณ์เก็บอารมณ์กรุ่มอารมณ์ทิ่ตกกังวลกับอารมณ์ก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าบุคคลมีความรู้บางเกิดขึ้นเป็นมุนีคือรู้เท่าทัานอารมณ์ทั้งหลายแล้ว ก็จะทำใจให้อยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือเหตุการณ์ได้ความเบิกบานความสุขก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผูนั้นตามสมควรแก่การประทฤติปฏิบัติแต่แต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทางความสงบเสืี่ต่อไป